เรื่องพระอานนุล600สมัยนั้นอัตรีกบาทเกิดขึ้นแก่ท่านพระอานุ์ท่านพระอานนุ์ต้องการจะถวายอัตรีกบาทนั้นแก่ท่านพระสารีบุตรแต่ท่านพระสารีบุตรอยู่ที่เมืองสาเกตทีนั้นท่านพระอานนุ์ได้มีความคิดว่าพระผู้มีพร ะ, พระภาคทรงบัญญัติสิทธาบทไว้ว่าภิกษุไม่พึงทรงอัตรีกบาทก็ อ, อัตรีกบาทนี้เกิดขึ้นแก่เราเราต้องการจะถวายท่านพระ เราจะพึงปฏิบัติอย่างไรหนอจึงได้นําเรื่องนี้ไปกล่าบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าอีกนานเพียงไรสารีบุตรจะกลับมาพระอานนุ์กล่าบทูลว่าอีก9หรือสิวันจึงจะกลับมาพระพุทธเจ้าข้า